สีพรรษาของพระพุทธเจ้าทระนิพนสมเด็จพระยาละสังวนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกคราวนี้จะอธิบาย ในฐานะที่เคยได้ฟังอริยสัจมาก่อนคือว่าเมื่อเคยฟังอริยสัจมาแล้วรู้ว่าอริยสัจนั้นมีสี่ได้แก่หนึ่งทุกข์ซึ่งเป็นผลสองสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งเป็นเหตุทั้งสองนี้เป็นผลและเหตุในด้านทุกสามนิโรธความดับทุกข์ซึ่งเป็นผล สมัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งเป็นเหตุนี้เป็นผลและเป็นเหตุในด้านความดับทุกข์เมื่อได้เคยฟังอริยสัพมาและทราบหัวข้ออย่างนี้ก็พอจับเขาของคาถาของท่านได้คือข้อว่าทมเหล่าใดเกิดแต่เหตุนี่ก็หมายถึงทุกข์ซึ่งเป็นผลนี่เป็นบาตรที่หนึ่งของคาถานั้น ส่วนบาทที่สองว่าพระทัาคตตรัสเหตุของธรรมเหล่านั้นนี่ก็คือตรัสสมุทัยเหตุให้เกิดทุกบาทที่สามว่าและความดับของธรรมเหล่านั้นนี่ก็เท่ากับแสดงนิโรธความดับทุกและมักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกซึ่งรวมอยู่ในฝ่ายความดับทุกพระมหาสมณมีวาทะอย่างนี้ ก็คือว่าตรัสสั่งสอนไว้อย่างนี้คราวนี้ถ้าจะสรุปเข้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าทั่วๆไปในฐานะที่เคยเรียนมาแล้วก็พอสรุปได้คือว่าในชั้นสามัญพระพุทธศาสนาสอนว่าผลที่ไม่ดีต่างๆเกิดจากเหตุ ท, ที่ไม่ดีอันเรียกว่าบาปทุจริตหรืออกุศลกรรมส่วนผลที่ดีต่างๆ ก็เกิดจากเหตุที่ดีปันเรียกว่าบุญสุจริตกุศลกรรมคาถาของพระอัสสชินั้นบาทที่หนึ่งที่ว่าทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุนี่ก็หมายถึงผลทั้งที่เป็นส่วนดีทั้งที่เป็นส่วนไม่ดีที่บุคคลได้รับอยู่ในชีวิตบาทที่สองว่าพระตถาคตตรัสเหตุของธรรมเหล่านั้นก็คือทรงชี้ว่า บุญสุจริตกุศลนี่เป็นเหตุของผลที่ดีต่างๆส่วนบาปทุจริตอกุศลนี่เป็นเหตุของผลที่ไม่ดีต่างๆนี่เข้าได้ในสองบาทต้นแต่ว่าในบาทที่สามว่าตรัสความดับของธรรมเหล่านั้นอันนี้ก็อาจจะมาสรุปเข้าได้ด้วยอธิบายว่าตรัสสอนให้ดับความชั่วเพื่อจะได้ดับผลที่ชั่ว ดังที่สอนให้ลากความชั่วทั้งปวงเสียแต่ว่าถ้าในด้านของความดีแล้วท่านสอนให้ก่อคือให้ทํายังไม่ได้สอนให้ตัดแต่คราวนี้ในการที่จะแสดงศาสนาให้บริบูรณ์นั้นจําต้องมีที่สุดถ้าจะสอนให้ทําความดีกันเรื่อยไปก็จะมีปัญหาว่าเมื่อไหร่จะสิ้นสุดการเสรียสักทีหนึ่งถ้าหากว่าไม่มีที่สิ้นสุด ยังทำกันเรื่อยไปก็ต้องแปลว่าศาสนานั้นยังสอนไม่จบเพราะว่าสิ่งตั้งหลายจะต้องมีที่สุดชีวิตของบุคคลก็มีที่สิ้นสุดการเรียนของบุคคลที่จัดเป็นชั้นต่างๆก็มีที่สุดการงานก็มีที่สุดคือว่าทุกๆอย่างนั้นต้องมีขอบเขตที่สุดของตนเพราะฉะนั้นศาสนาใดก็ตาม ถ้าหากว่าสอนและทาดีกันเรื่อยไปโดยไม่มีขอบเขตว่าจะสิ้นสุดกันเมื่อไหร่ก็แปลว่าไม่จบคราวนี้ตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นท่านมีจบเหมือนกันคือว่ามีจุดเป็นที่สุดดีคนเรายังต้องทําความดีกันอยู่นั้นก็เพราะยังไม่ถึงจุดอันนั้นคือจุดที่สุดจึงยังต้องการดีหรือว่าหวังดีแปลว่าความดียังไม่พอ จึงต้องหวังจึงต้องมีความต้องการถ้าความดีเพียงพอแล้วคือว่าถึงจุดที่เป็นที่สุดแล้วก็ไม่ต้องหวังดีหรือไม่ต้องหวังความดีอะไรต่อไปจุดที่จะเป็นที่สุดดีดังกล่าวนี้จะมีได้เมื่อใดมติทางพระพุทธศาสนาแสดงไว้โดยความว่าจะมีได้ในเมื่อสิ้นอาสวะกิเลสเมื่ออาสวะกิเลสหมดสิ้นแล้ว ก็แปลว่าหมดความชั่วและหมดสมุธฐานของความชั่วทั้งหลายเมื่อความชั่วพร้อมทั้งสมุธฐานความชั่วหมดไปแล้วก็เสร็จเกิดที่จะต้องทําความดีเพื่อฟอกล้างความชั่วอีกต่อไปอันนี้ที่ทางพระพุทธศาสนาเอาสัมมวนพรามมาใช้ว่าเป็นผู้ลอยบุญลอยบาปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อถึงจุดอันนี้ก็ชื่อว่า เป็นจุดที่สุดดีคือสุดสิ้นความดีความดีขึ้นถึงขีดสูงสุดเพียงเท่านั้นก็เสร็จกิจนี่เรียกว่าเป็นจุดดับก็แปลว่าดับทั้งความดีดับทั้งความชั่วเพราะว่าดับอสวกิเลตหมดสิน้นพระพุทธศาสนาจึงได้สอนถึงจุดของความดับอันนี้ก็เป็นอันว่าเมื่อสอนถึงจุดอันนี้แล้วก็เป็นอันว่า ได้แสดงทำจบไม่เช่นนั้นก็ไม่จบจะต้องทํากันเรื่อยไปท่านพระสารีบุตรนั้นท่านแสดงว่าเป็นผู้มีปัญญามากสําเร็จก็ช้ากว่าเขาพวกบริวารนั้นทําอาสวะให้สิ้นไปก่อนพระโมคคัลลานะบวชได้เจดวันจึงทําอาสวะให้สิ้นไปได้ท่านพระสารีบุตรนี่ถึงสิบห้าวันท่านก็แสดงว่า เพราะเป็นผู้ที่มีปัญญามากนั่นเองคิดมากเมื่อมีปัญญามากก็ต้องมีจุดที่สงสัยมากและจะต้องค้นกว้ามากท่านได้สะดับคาถ า, าของท่านพระอัสสชิทั้งที่ท่านไม่ได้เคยฟังพระพุทธศาสนามาก่อนแต่ท่านก็จับใจความได้ทันทีคราวนี้ก็น่าพิจารณาดูเหมือนกันสาหรับทุกๆคนที่ไม่เคยได้สะดับพระพุทธศาสนามาก่อน หรือสดับมาบ้างเมื่อฟังคาถาของพระอัศจิดังนี้แล้วจะพึงเข้าใจได้อย่างไรหรือจะพึงจับใจความได้อย่างไรคิดดูดังนี้จะพอรู้สึกว่าท่านมีปัญญามากจริงๆต่อมาก็ควรพิจารณาถึงตอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระอัครสาวกทั้งสองว่าทําไมจึงยกเวทนาขึ้นแสดงท่านแสดงว่าคนที่มีตัำหาจริตยาบ มักจะติดกายเช่นว่าแต่งร่างกายให้สวยสดงดงามแต่งบ้านเรือนเครื่องใช้เครื่องประดับต่างๆให้งดงามถึงแม้ว่าไม่สู้สบายนะแต่ว่าขอให้งดงามก็แล้วกันบางทีก็ต้องยอมเป็นทุกข์เพราะต้องการความงดงามนั้นนี่เรียกว่าติดกายถ้าผู้มีตัณหาจริตละเอียดขึ้นก็มาติดเวทนา แต่โดยทั่วไปก็เรียกติดสุขคือไม่ค่อยคำนึงถึงว่าจะงดงามหรือไม่งดงามอะไรสักเท่าไหร่ให้เป็นสุขมีสัพพายะคือให้สบายก็แล้วกันสำหรับที่ติดเวทนานี้ออกจะมีตรงกันเป็นส่วนมากคือว่าต้องการให้สบายให้มีที่อยู่ก็เป็นสัพพายะคือสบายอาหารก็เป็นที่สบายเครื่องนุ่งห่มก็เป็นที่สบาย สิ่งต่างๆที่ต้องการให้เป็นที่สบายแต่ว่าเวทนานั้นไม่ใช่มีเพียงสบายอย่างเดียวก็ยังมีไม่สบายกับเป็นกลางอีกด้วยฉะนั้นถ้าไปติดเวทนาก็เรียกว่าติดสุขหรือว่าติดสบายก็จะมีความเดือดร้อนและบางทีก็ไม่อาจที่จะทำอะไรได้เพราะเกิดความไม่สบายขึ้นเสีย ยิ่งในการที่จะประกอบการงานหรือในการเรียนที่จะต้องมีความทุกข์ต่างๆถ้าติดสุขหรือติดสบายแล้วก็ไม่อาจที่จะทําได้ท่านพระอ克拉สาวกทั้งสองนั้นท่านเป็นบุตรอยู่ในตระกูลที่มั่งคั่งมีความสุขมากเมื่อมาบวชเข้าก็ต้องมาอาศัยนิ ส, ยสัยสี่ซึ่งในสมัยต้นพุทธกาลนั้นจะต้องใช้นิสัยสี่กันมากกว่า บัดนี้ความไม่สบายก็จะต้องมีมากขึ้นเพราะการที่จะอยู่อาศัยการที่จะนุ่งหม่มการที่จะขบฉันก็ไม่เป็นไปตามที่ประสงค์จะต้องไปบินทบาทเขามาฉันจริงๆอย่างนี้จะเอาให้ถูกกับความปรารถนาก็เป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้แหละหากยังติดอยู่ยังชอบสุขเวทนาอยู่ถึงจะมีความรู้ ความเข้าใจอะไรได้แจมแจ้งพอสมควรแล้วก็ตามการปฏิบัติก็ยังดำเนินไปไม่สะดุกอันนี้น่าจะเห็นว่าจิงทรงยกเวทนาขึ้นมาเน้นก็เวทนาทั้งสามในขนาดหนึ่งก็มีได้แต่เพียงอย่างหนึ่งแต่ทุกๆอย่างก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีดับไปสิ้นไปไม่ควรที่จะมายึดมั่นเพราะฉะนั้นเมื่อปล่อยเวทนา คือว่าปล่อยสุขเสียได้ก็เป็นอันว่าท่านไม่มีกังวลอีกแล้วจึงเกิดความรู้ความเข้าใจในทำแจ่มแจ้งหมดเป็นข้อที่ควรคิดอุปสรรคในการงานในการเรียนหรือในการทำความดีทุกอย่างเนื่องมาจากติดสุขเป็นประการสาคัญอันหนึ่งถ้าสละความติดสุขยอมระเชิญทุกก็จะต้องทาการทางานจะต้องเรียนต้องศึกษาได้อย่างสบาย เรียนอะไรก็เรียนได้ทํางานอะไรก็ทําได้จะไปไหนก็ไปได้อีกข้อหนึ่งก็เรื่องที่ท่านว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นนี่เป็นหลักของทางพระพุทธศาสนาทีเดียวบาลีว่าสัพเพธรรมมานาลังอภินิเวสายะแปลว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่น มีอัดคล้ายกับที่เราสูตรกันเวลาเช้าสัพเพธรรมมาอนัตตาทำทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแต่พึงเข้าใจว่าทำบทนี้เป็นปรมา ธ, ธรรมคือธรรมที่เป็นอัตเป็นอย่างสูงพระพุทธเจ้าจะแสดงก็แต่ผู้ที่จะโปรดให้บรรลุมรคนเท่านั้นถ้าบุคคลสามัญก็ไม่ตรัสถามนี้ ทำทั้งปวงนั้นถ้าพูดอย่างสามัญก็แบ่งออกเป็นกุศลธรรมอย่างหนึง่งอกุศลธรรมส่วนหนึง่งในเบื้องต้นท่านก็สอนให้ละอกุศลแต่ว่าสอนให้ทํากุศลยึดมั่นในกุศลปล่อยอกุศลนี่ต้องยึดคือว่าทิ้งชั่วยึดดีเอาไว้ดีนั้นทิ้งไม่ได้ต้องยึดเอาไว้เพราะว่าทุกๆคนนั้น ยังไม่ถึงจุดสุดดีดังที่กล่าวแล้วยังต้องมีความดีที่จะทําต่อไปแต่ว่าเมื่อทําความดีเรื่อยๆขึ้นไปจนถึงที่สุดหากยังจะยึดความดีนั้นอยู่ก็แปลว่ายังไม่เสร็จกิจเหมือนอย่างว่าเราเรียนไปจนจบชั้นสูงสุดแล้วและยังจะยึดชั้นนั้นอยู่ไม่ยอมออกอย่างนี้ก็แปลว่าไม่สําเร็จไม่จบเพราะฉะนั้น ในขั้นที่ถึงจุดที่เป็นที่สุดแล้วก็ต้องปล่อยวางทั้งหมดถ้ายังยึดอยู่ก็แสดงว่ายังมีตัณหาอุปทานความปรารถนาและความยิบถีตัณหาอุปทานนั้นเป็นตัวกิเลสยังมีกิเลสอยู่ก็แปลว่ายังไม่สิ้นกิเลสอื่นๆหมดไปแล้วแต่ว่ายังรักษาตัณหาอุปทานไว้เพราะฉะนั้นต้มสลับตัณหาอุปทาน ออกไปเสียให้หมดปล่อยวางทั้งหมดนั่นแหละจึงจะถึงจุดสุดดีซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายในขั้นสุดท้ายนี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงจะสอนให้ไม่ยึดมั่นธทำทั้งปวงในขั้นสามัญท่านไม่สอนอย่างนี้จะต้องยึดดีเอาไว้ละความชั่วไปโดยลําดับเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมต้องอย่าให้ผิดที่ถ้าหากว่า สแสดงผิดที่ก็จะเกิดความว้ายแหววสับสนไปหมดและก็จะไม่เข้าใจเมื่อท่านพระอั克รสาวกออกบวชนั้นมีพวกคุรบทุที่มีชื่อเสียงในเมืองมคตพากันบวชมากขึ้นมากขึ้นจนชาวบ้านชาวเมืองพากันกล่าวโผนธนาว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติทำให้คนไม่มีลูกทำให้หญิงเป็นหมันเป็นไม้ทำให้ตระกูลขาด เมื่อชาวบ้านเห็นพระออกเที่ยวบินธบะก็จะพากันว่าพวกพระเหล่านี้พากันมาอีกแล้วแนะนำเอปพระนักของอาจารย์สันชัยไปบวชกันมากมายแล้วคราวนี้จะแนะนําเอาใครไปบวชอีกพระก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเสียงเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในพระศาสนาของพระองค์จะมีอยู่อย่างนานประมาณเจ็วัน แล้วก็ทรงสั่งให้พระต่อไปว่าพระตถาคตทั้งหลายย่อมแนะนำด้วยสัจธรรมคือด้วยธรรมที่ดีจรงิงผู้ที่รู้อยู่ดังนี้ว่าท่านสั่งสอนแนะนำโดยธรรมก็ไม่ควรจะมีความขึ้งเครียดเดียดฉันพิจารณาดูตามเรื่องผู้ที่มาบวชในระยะนั้นที่มีชื่อเสียงปรากฏโดยมากเป็นผู้ที่ออกบวชแล้วอย่างพระอระสาวกทั้งสอง กับบริวาร น, นั้นก็ออกบวชในสำนักของสังชัยอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งออกจากบ้านจากเรือนใหม่ๆเพราะฉะนั้นเสียงเหล่านั้นก็อาจจะเป็นเสียงที่มาจากพวกนักบวชรัฐที่ต่างๆที่ต้องเสียสิทธิ์ของตนไปเพราะเข้ามาบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าพระมหากระสปะในสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเวรวรกรุงราชคฤิส ทรงได้พระสาวกสําคัญอีกรูปหนึ่งเรียกในทางพระพุทธศาสนาว่าพระมหากระสปะประวัติของท่านมีโดยสังเขว่าท่านเป็นบุตรของพราหมณ์ชื่อว่ากาปิละกระสปะโคตรละในบ้านพราหมณ์ชื่อมหาติถลในมกุฏรัตนั้นท่านได้รับชื่อว่าปิถริมานกตระุลพราหมณ์ที่ท่านถือกําเนิดนั้น เป็นตระกูลที่มั่งคั่งต่อมาเมื่อท่านได้บรรลุวัยอันสมควรก็มีภริยาชื่อว่าพัตกาปิลานีซึ่งเป็นธิดาของพราหมณ์โกสิยะโคตรรักในสาครนครในมกุฏรัตน์นั้นเหมือนกันต่อมาท่านได้เกิดนายในทางคารวะประสงค์จากประพฤติพรหมจรรย์และเห็นว่าถ้าจะอยู่กรองคารวะจะประพฤติให้บริสุทธิ์ เหมือนอย่างสั่งที่ขัดไม่ได้จึงได้โปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าบวชอุทิตรบรรพชาเวลานั้นท่านยังไม่รู้ว่าท่านผู้ใดเป็นพระผู้มีพระภาคอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็เชื่อว่าจะต้องมีอยู่ฉะนั้นท่านจึงออกบวช อุทิศต่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องแสดงว่าคําว่าพระขวาที่เราแปลว่าพระผู้มีพระภาคก็ดีอรหังหรืออรหันก็ดีสัมมาสัมพุทธก็ดีเป็นคําที่มีอยู่แล้วและใช้เรียกท่านที่นับถือว่าเป็นผู้วิเศษอย่างสูงปิติภริมานกก็มีความเห็นดังนั้นและเชื่อว่า จะต้องมีพระอาหารหันต์ในโลกแต่ยังไม่รู้ว่าท่านเป็นผู้ใดก็ออกบวชอุทิศท่านผู้นั้นการออกบวชอุทิศนั้นยังมีสาวกอื่นอีกบางรูปในพระพุทธศาสนาแรกกระบวตรเป็นอุทิศประชาเช่นนี้ท่านได้จาริกไปพบพระพุทธเจ้าในระหว่างกรุงราชคฤิสและนาลันทาในขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นไทรต้นหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเรียกว่าพระหุดปุตตะนิโครถแปล ว, ว่าต้นไซที่มีลูกมากคงจะเป็นเพราะมีไซย้อยอย่างใหญ่เมื่อท่านได้เห็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่านก็ลงสันนิฐานแน่ว่าท่านที่นั่งอยู่ที่นั่นเป็นพระพุทธเจ้าจึงได้เข้าไปหมอบที่พระบาทและได้กล่าวคําประกาศตนว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระศาสดา คือเป็นครูของตนเป็นครูของท่านท่านเป็นสาวกแต่ว่าท่านมาสังเกตอะไรจึงลงสันนิฐานว่าท่านที่ประทับนั่มนั้นเป็นพระพุทธเจ้าในบาลีไม่ได้กล่าวไว้ในอัตถกถาก็มีกล่าวไว้ในทางอภินิหารนี้ต่างจากเรื่องของพระสาวกที่บวชอุทิศพระพุทธเจ้าบางรูปเช่นพระปูกกะกุสาตินั้นก็บวชอุทิศพระพุทธเจ้าเหมือนกัน แต่ก็ยังไม่รู้ว่าองค์ไหนจนได้พบกันและพักแรมด้วยกันในโรงงานของนายช่างหมอ้อท่านปูกากูสาติก็ยังไม่รู้จักอยู่นั่นเองแต่เมื่อฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจึงได้รู้สึกขึ้นว่าท่านผู้แสดงธรรมให้ฟังนั้นเป็นพระพุทธเจ้าและก็แสดงตนเป็นสาวกส่วนเรื่องของพระมหากัสปะไม่ได้มีเรื่องเล่า ว, ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม พอท่านพระมหากัสสปะเห็นเข้าก็ลงสันนิษฐานว่าต้องเป็นพระพุทธเจ้าและแสดงตนเป็นสาวกของพระองค์เลยทีเดียวอันนี้ก็น่าจะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งทําให้ท่านสังเกตและลงสันนิษฐานได้เช่นนั้นไม่ได้แสดงธรรมก่อนและท่านเป็นผู้ที่ทรงธรรมปัญญาอาจจะดูคนออกได้ง่ายอย่างทศสารีบุตรฟังธรรมย่อของพระอัสสกิก็เข้าใจ พระพุทศาสนาได้ทันทีพระพุทธเจ้าได้ตรัสประธานพระโอวาทแก่ท่านพระมหากระสปะสามข้อคือข้อหนึ่งให้ศึกษาว่าจงตั้งฮิริความละอายโอตับ ป, ปะความเกรงโรวอย่างแรงกล้าในภิกษุกทั้งหลายทั้งที่เป็นพระเถระทั้งที่เป็นนวกะทั้งที่เป็นมัชชิมะข้อสองให้ศึกษาว่าจักเนี่ยโสด ประมวลใจฟังธรรมที่ประกอบด้วยกุศลทุกๆอย่างและข้อสให้ศึกษาว่าจากไม่ลากกายคตาสติคือสติที่เป็นไปในกายอันประกอบด้วยความสำราญคือให้พอใจเป็นสุขอยู่ในการเจริญสติที่ไปในกายท่านกล่าวว่าพระมหากัสสปะ เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงรับให้อุปสมบทด้วยพระโอวาทสามข้อนี้สันนิษฐานว่าทรงอนุญาตให้อุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขูอุปสัมปทานนั่นเองแต่ว่าในเรื่องไม่ได้กล่าวไว้ท่านพระมหากัสสปะได้อุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วในวันที่8ท่านก็ได้บรรลุปัญญาความรู้ทั่วถึงที่หมายถึงพระอรหันต เป็นผู้ที่มีจิตพ้นจากอสวกิเลตามเรื่องก็แสดงว่าภริยาของท่านก็ออกบวชอุทิ์พระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันและต่อมาก็ได้บวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาพระเทระที่เรียกว่ากัสสปะยังมีอีกสีองค์คือท่านที่เป็นหัวหน้าปุราณชชตินพันหนึ่งนั้นได้แก่พระอุรุเวละกัสสปะพระนทีกัสสปะ พระขยากัสสะปะอีกองหนึ่งคือพระกุมารากัสสปะรวมเป็นห้าทั้งท่านพระมหากัสสปะซึ่งเรียกตามชื่อโครและเติมมหาเข้าข้างหน้าท่านได้เป็นกำลังสำคัญในพระพุทธศาสนาองค์หนึ่งตลอดมาจนถึงเวลาหลังพระพุทธปรินิพานโปรดติดตามรับฟัง 45, สี่สิบห้าพันาของพระพุทธเจ้า พระนิพนธ์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ใหม่ในตอนต่อไป